ดวงดาวส่งแรงกระทำต่อมนุษย์ได้จริงหรือถามเวลาอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพยากรณ์ชะตาชีวิตด้วยดวงดาวเขาจะว่าแรงส่งของดวงดาวกำลังให้ผลกับมนุษย์เราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ทราบว่าพลังดังกล่าวกระทำกับโลกและมนุษย์อย่างไรในเมื่อดาวเลิกแต่ละดวงอยู่ห่างออกไปมาก และอยากทราบด้วยว่าจะอธิบายเรื่องแรงส่งของดวงดาวเข้ากับกรรมวิบากได้อย่างไรตอบพวกเราตกเข้ามาอยู่ในจักรวาลแห่งความเกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกอย่างมีแรงส่งถึงกันหมดโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามหลักทั่วไปแล้วหากขนาดใหญ่ และอยู่ใกล้ก็มีอิทธิพลสูงหากขนาดเล็กและอยู่ไกลก็มีอิทธิพลน้อยอย่างดวงจันทร์จัดเป็นของใหญ่และอยู่ไกลโลกสิ่งที่เห็นได้ชัดคือมันสามารถส่งอิทธิพลกับโลกเราทั้งใบในแง่แรงดึงดูดตำแหน่งใกล้เข้ามาหรือไกลออกไปของมันอาจเกี่ยวข้องกับน้าขึ้นน้าลง และอาจเปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กหรือธรรมชาติบางอย่างบนโลกให้แตกต่างซึ่งก็เป็นไปได้ที่จะมีผลกับอารมณ์ของพวกเรายกตัวอย่างเช่นนักวิจัยในอเมริกาพบว่าสถิติการฆาตกรรมจะสูงขึ้นเป็นพิเศษในช่วงพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเรื่องอิทธิพลของพระจันทร์เต็มดวงหรือฟูมูลเอฟเฟคต เป็นที่ถกเถียงกันมานานแสนนานว่าอาจก่อความขัดแย้งทางความรู้สึกทั้งนี้เพราะโลกเราไปอยู่ตรงกลางระหว่างพระจันทร์กับพระอาทิตย์พอดีแต่การที่เจาะจงตายตัวว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่ตรงข้ามกันแล้วจะก่อให้เกิดอารมณ์แปรปรวนไปในทางร้ายก็คงไม่เป็นสัจจะสากล เพราใช้ว่าทุกคนต้องตกเป็นเหยื่อของดวงจันเสมอไปในคืนจันเต็มดวงบางคนก็ใจดีและเบิกบานสุดๆขณะที่บางคนอาจอ่อนไหวใครพูดผิดหูหน่อยเหมือนจะคลุ้มคลั่งและที่สำคัญคือในคืนพระจันทร์เต็มดวงชาวโลกส่วนใหญ่หาได้มีความวิปริตผิดแปลกแต่อย่างใดไม่ ตัวจันเต็มดวงเองจึงไม่ใช่ดีหรือร้ายถ้าจะเชื่อว่ามันมีอิทธิพลก็ต้องดูด้วยว่าใครมีปัจจัยรับผลดีใครมีปัจจัยรับผลร้ายหรือใครไม่มีปัจจัยรับผลดีร้ายใดๆเลยกล่าวถึงดวงดาวบ้างดวงดาวแม้มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ราวช้างกับมด แต่ก็อยู่ห่างจากโลกไปจนเห็นเหลือเท่าหิงห้อยบนฟ้าดาวดวงใดดวงหนึ่งจึงไม่มีแรงดึงดูดกระทำกับโลกและตัวเราตรงๆแต่มีส่วนสัมพันธ์ทางอ้อมในแง่ของการทำมุมกับแก่โลกซึ่งเมื่อดาวหล า, หลายดวงทำมุมกับโลกก็เท่ากับเป็นการเข้ารหัสชีวิตนับแต่เกิดจนตาย ทางโหราศาสตร์จึงถือว่าตำแหน่งเวลาที่เราออกมาจากท้องแม่คือช่วงที่แต่ละคนได้รับรังสีของดาวณนะเวลานั้นกล่าวคือขณะเกิดดาวต่างๆบนท้องฟ้าเป็นอย่างไรพื้นดวงและสีของจิตก็เป็นไปตามกันหากกรรมดีพามาเกิดณนะตำแหน่งที่ดาวสุภเคราะห์ประชุมกันให้ผลดีก็ถือว่าเป็นเลิกสวยสว่าง แต่หากกรรมชั่วพามาเกิดณตำแหน่งที่ดาวบาปเคราะห์ลอยรุมเลงลักขนา <nào? S 1> ก็ถือว่าเป็นเริกมืดดำ <sliced> เมื่อศึกษาโหราศาสตร์แม้ยังไม่ลงลึกนักคุณจะพบว่าดวงดาวเป็นตัวแปรได้หลากหลายไม่มีอิทธิพลดีร้ายตายตัวเช่นอิทธิพลของราหูนั้นจะนึกถึงด้านร้ายกันเป็นหลัก แต่สำหรับบางคนแล้วอาจเป็นคุณอย่างน่าอัศจรรย์เช่นเป็นผู้มีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ในการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆเป็นต้นกล่าวโดยย่นย่อคือดาวทุกดวงให้คุณได้หมดแล้วก็ให้โทษได้หมดแล้วแต่ว่าดวงไหนโครจรมาแล้วเป็นอริหรือเป็นมิตรกับดาวพื้นชะตาของแต่ละคน คือถ้าเป็นสีที่ขัดกันกับสีดาวของเราช่วงนั้นก็มืดเรียกว่าดวงตกแต่ถ้าเป็นสีที่ส่งเสริมกันกับสีดาวของเราช่วงนั้นก็สว่างเรียกว่าดวงขึ้นในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับกรรมวิบากก็ต้องมองว่าที่คนคนหนึ่งเกิดภายใต้เริกดดาวดีดาวร้ายได้นั้นกรรมเก่าแต่พบก่อนเป็นผู้ส่งมา ที่สาคัญคือการมีชีวิตมนุษย์ถือเป็นโอกาสยิ่งใหญ่เนื่องจากระหว่างมีชีวิตอาจเลือกทําดีได้แตกต่างไปจากพบก่อนสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจก็คือกรรมดีคือความสว่างกรรมชั่วคือความมืดหมายความว่าแม้จะอยู่ในช่วงดวงตกซึ่งเป็นช่วงมืดของชีวิต เราก็อาจทำกรรมดีสู้เช่นเดียวกับจุดเทียนหรือตั้งโคมไฟใหญ่ขึ้นทำลายความมืดได้แล้วด้วยสักยภาพความเป็นมนุษย์เมื่อเราทำกรรมดีเป็นอาจินปฏิเสธเยื่อล่อให้ก่อบาปทุกชนิดก็ถือว่าได้สร้างพื้นชะตาใหม่สร้างสีของจิตให้ตัวเองใหม่ซึ่งทางโหราศาสตร์ถือว่าแทบจะเป็นมิตรได้กับดาวทุกดวง ไม่ว่าดวงไหนจะโครจรลงมาให้กลับร้ายให้กลายเป็นดีหรือเสริมดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกได้หมดสรุปแล้วที่หลายคนหลงเข้าใจว่าดวงดาวบรรดาลความเป็นไปต่างๆนานๆให้กับมนุษย์ทั้งโลกนับว่าผิดพลาดยิ่งดวงดาวกลายเป็นแพะรับบาปตัวส่งพลังกระทําต่อชีวิตมนุษย์นับแต่เกิดจนตายแท้จริงแล้วคือวิบาก อันไหลมาแต่กรรมที่ทำไว้ทั้งเมื่อวานเมื่ออาทิตย์ก่อนเมื่อเดือนก่อนเมื่อปีก่อนตลอดไปจนถึงเมื่อชาติก่อนพลังการให้ผลของกรรมเก่าจะเข้าคิวก่อนหรือหลังก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักกรรมน้ำหนักกรรมชนิดใดเด่นกว่าก็มาก่อนน้ำหนักกรรมชนิดใดด้อยกว่าก็รอคิวต่อไป คิวกรรมเป็นสิ่งที่ถูกถอดรหัสได้โดยวิชาโหราศาสตร์ช่วงไหนใครโดนราหูครอบจึงใบได้ว่าอะไรๆน่าจะแย่ความจริงราหูไม่ได้ทำร้ายใครวิบากไม่ดีของเจ้าตัวต่างหากที่แพลงฤทธิ์เข้าให้ตรงกับจังหวะที่โดวนวางคิวกรรมไว้ กรรมพาคุณไปเกิดในเวลาที่ควรเกิดไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่นั่นก็จัดเป็นแรงส่งของกรรมกรรมบันดาลให้คุณเป็นมนุษย์เพศนี้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้ฐานะอย่างนี้มีความสุขขนาดนี้สติปัญญาความคิดอ่านเท่านี้นี่ก็จัดเป็นแรงส่งของกรรม กรรมตรเตรียมให้คุณประสบกับเรื่องดีเรื่องร้ายน้าหหวเราะบ้างน่าร้องไห้บ้างสลับสลับกันตามคิวกรรมอย่างนี้ก็จัดเป็นแรงส่งของกรรมเมื่อเหลือบตาขึ้นฟ้าและพยายามสัมเนียกสัมผัสกับพลังลึกลับของราตรีการคุณจะพบแต่ความอ่านยากยิ่งศึกษายิ่งสลับซับซ้อนและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่หากเหลือบตาแลสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและรอบตัวคุณที่เห็นว่าธรรมดาธรรมดานี่แหละยิ่งศึกษาตามแนวทางเห็นตามจริงของพระพุทธเจ้าคุณจะพบว่าปมยุ่งเหยิงทั้งหลายคลี่คลายลงเป็นความอ่านง่ายขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นถ้ามองดูตามจริงเห็นว่าตัวเองเกิดมาในครอบครัวที่ร้อน และคุณเองก็มีาธาตุร้อนก็ย่อมพยากรณ์ได้ว่าชีวิตเบื้องต้นของคุณคงต้องร้อนและหากไม่พยายามใส่เหตุแห่งความเย็นในที่สุดเบื้องกลางกับเบื้องปลายของชีวิตคุณก็จะยังคงร้อนอยู่อย่างนั้นไม่เลิกราแรงส่งของความร้อนย่อมมีได้มาจากอานาจของดาวเริ์ที่อยู่ไกลพ้น เพราะว่ามาจากกรรมอันเจือด้วยโทสะคิดก็คิดแบบพยาบาทให้ตัวเองหมกมุ่นฟุ้งซ่านพูดก็พูดแบบเสียดแทงให้คนอื่นเจ็บใจทาก็ทำแบบรุนแรงให้ตนเองและคนอื่นบาดเจ็บจากการกระทบกระแทกแต่หากใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งได้ศึกษาธรรมะอันเย็นเกิดความสกิจใจ ใครจะได้เกิดสติปรารถนาประพฤติธรรมอันเย็นคราวนี้คิดก็คิดแบบเมตตาพูดก็พูดแบบถนอมน้ำใจทำก็ทำแบบอ่อนโยนในที่สุดตัวคุณก็จะแปลจากธาตุไฟเป็นธาตุน้ำส่งพลังเย็นบรนดานชีวิตตัวเองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแม้โหราาจารย์บอกว่าราหูครอบ หรือต่อให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นจริงๆตามปากโหราจาร์วิบากเก่าก็เล่นงานคุณได้แค่กายส่วนใจจะไม่ถูกกระทบกระเทือนมากนักถ้าเก่งหน่อยอาจถึงขั้นเงียบนิ่งสงบสุขอยู่ในทํากลางความว้าวุ่นรอบตัวได้กามเก่าส่งมาเกิดใต้เลิกหนึ่งหนึ่งดวงดาวเรียงกันเข้ารหัส บอกความน่าจะเป็นของเลิกนั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมีอันเป็นไปตามนั้นแน่ๆช่วยกันพิสูจน์ให้ชัดตามพระพุทธเจ้าตรัสเถิดครับว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหาใช่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามดวงดาวแต่อย่างใดเลย